RMT Talk สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ RMU Talk t นะครับวันนี้พบกับผมปียพงษ์เคนทวายรับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับประเด็นการพูดคุยในวันนี้ครับเราจะเป็นประเด็นจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีเกี่ยวกับโรงเรียนสาธิตนวัตกรรมนะครับเรื่องราวของสื่อโซเชียลมีเดียตอนนี้เป็นกระแสพอสมควรหลังจากที่นักศึกษาอ่านักเรียนชั้นระถมศึกษาปีที่3มนะครับมีสิ่งประดิษฐ์ออกมาและก็เป็นที่ฮือฮามาพอสมควรนะครับเราจะไปพูดคุยกันกับเรื่องราวนี้มีที่มาที่ไปอย่างไร รวมไปถึงกระบวนการรเียนการสอนของทางโรงเรียนสาธิตนวัตกรรมพูดคุยกับผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีครับดรรสรินทร์เจิญไพสงศ์อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับท่านผู้อำนวยการครับสวัสดีค่ะสวัสดีผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะครับ ผ, ผมเป็นประเด็นพอสมควรนะครับ อาจารย์ครับว่ า, าเป็นผลงานของน้องๆประถมหลายทานบอกว่าโหประถมศึกษาปีที่สาสมัยก่อนเราทําอะไรกันอยู่แต่ตอนนี้น้องๆ้องปสามมีสิ่งประดิษฐ์ดูจาก YouTube แล้วมาประดิษฐ์เองสามารถใช้งานได้จริงด้วยจริงๆแล้วถ้าย้อนกลับไปเห็นบอกว่าเป็นรายวิชาหนึ่งของการเรียนของโรงเรียนอยากให้อาจารย์ได้บอกเราว่าจริงๆแล้วมันมีกระบวนการเรียนการสอนอย่างไรกับของการเรียนในโรงเรียนลงไมไปถึงกับรายวิชานี้ครับ ค่ะจริงๆในหลักสูตรของโรงเรียนสาธิตนวัตกรรมมหาวิยทยาลัยเทคโนโลโยีราชมงคล น, นะค ะ, ะเราเน้นการจัดการเรียนการสอนที่อยู่ในรูปแบบของ s t e ี Education นะคะซึ่งได้มีการจัดในรายวิชาซึ่งเราเรียกว่าเป็นรายวิชาเพิ่มเติมนะคะชื่อว่ารายวิชาเทคโนโลยีพลังงานนะคะซึ่งในรายวิชานี้เนี่ย จะมีการจัดการเรียนการสอนในทุกระดับชั้นเลยนะคะตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1จนถึงในปัจจุบันเนี้ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 น, นะคะในรูปแบบที่เราเรียกว่า IDS นะคะซึ่งเป็นชื่อของโรงเรียนสตรีมโมเดลนะคะซึ่งเราใช้แนวคิดในเรื่องของสตรีมโมเดลนะคะเพื่อที่จะขับเคลื่อนให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนของเรานะคะที่ให้เด็กเนี่ยได้มี แรงบันดาลใจที่อยากจะคิดค้นแก้ปัญหาแล้วก็นำแรงบันดาลใจเหล่านี้เนี่ยมาใช้ในการาลงมือปฏิบัติเพื่อที่จะคิดค้นสิ่งที่เข้ามาแก้ปัญหาหรือเราเรียกว่ า, าสิ่งประดิษฐ์นั่นเองนะคะ ครับผมเห็นเป็นผลงานแบบนี้ส่วนหนึ่งคือเรื่องของการเรียนที่มีการปฏิบัตินําสิ่งประดิษฐ์ต่างๆมาพัฒนาต่อยอดนอกจากนี้ยังเคยเห็นผลงาน ห, หลายๆชิ้นงานที่เป็นฉีดเข็มฉีดยาและเป็นเหมือนเครื่องจักรด้วยอันนี้อันนี้ก็เป็นผลงานหนึ่งไหมครับคุณครูครับว่าอ่ า, อาที่มีการใช้งานในวิทยาวิชานี้ค่ะอ นอกจากในรายวิชานี้นะคะก็จะมีในส่วนของรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะคยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของโครงงานนะคะที่เราเพิ่งได้ไปประกวดแล้วก็ได้รับรางวัลมาก็คือเปลี่ยนให้เป็นเลิศนะคะก็เป็นโครงงานทางวิทยาศาสตร์ซึ่งมาจากรายวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะคะซึ่งเป็นการศึกษายางก้วยนะคะซึ่งเมื่อยางก้วยเนี่ยโดนเสื้อผ้าเนี่ยก็จะเกิด เลอะนะคะแล้วก็เกิดล่องลอยขึ้นมาได้เด็กๆก็ศึกษาแล้วก็นำเอาอย่างก้วยเนี่ยเข้ามาสู่การเท้นนะคะในส่วนของผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะคือนำสิ่งที่ไม่มีประโยชน์เนี่ยกลับมาใช้ประโยชน์นะคะโดยผ่านในส่วนที่เราเรียกว่าโครงงานทางวิทยาศาสตร์นะคะ ครับผมนอกจากการเรียนแบบนี้แล้วคุณครูครับว่ากระบวนการที่เรามีการใช้เรียนที่จะมีการเน้นเรื่องของส่วนหนึ่งอัตลักษณ์หรือความเป็นวิสัยทัศน์ของโรงเรียนเองกระบวนการเรียนแบบเดิมกับเรียนแบบแบบใหม่ที่เรามีอยู่ยังควบคู่กันไหมครับหรือมียังมีเีา uh. ฉ, ฉีกแนวออกไปเลย ไม่ค่ะโรงเรียนของเรานะคะเน้นเรื่องของการบูรณาการนะคะในส่วนของที่เป็นในส่วนของที่เป็นการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะในส่วนหนึ่งนะคะซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาพื้นฐานและในส่วนหนึ่งนะคะเราก็จัดการเรียนการสอนเพื่อให้สอดรับ แล้วก็ขับเคลื่อนเป็นไปตามพันธกิจของโรงเรียนนะคะซึ่งแต่ตั้งโรงเรียนเนี่ยเราก็มีพันธกิจสําคัญที่จะจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เด็กเราเนี่ยได้เป็นนักค้นคิดนักที่ประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ขึ้นมานะคะซึ่งการประดิษฐ์หรือการเรียนรู้แบบนี้เนี่ยเป็นไปตามลาดับชั้นเรียนนะคะความยาก ง, ง่ายของชั้นเรียนนะคะ เรื่องราวของการเรียนเกี่ยวกับวิชาที่อาจารย์บอกไปคือเทคโนโลยีเกี่ยวกับท่านักขพลังงานที่มีการเรียนการสอนกันนั้นแล้วบอกว่าเรียนทุกระดับชั้นของโรงเรียนแต่มีการแยกเกี่ยวกับความยากง่ายของแต่ละระดับกระบวนการที่เราจะเติมเต็มให้กับเขาแต่ละระดับหรือเลเวลเนี่ยก็จะมีความแตกต่างและยา ก, กแตกต่างกัน ใช่ใชค่ะซึ่งคุณครูเนี่ยจะต้องมาร่วมกันวางแผนทั้งโรงเรียนนะคะว่าในแต่ละระดับชั้นเนี่ยเราจะกําหนดในเรียกในสิ่งที่เราเรียกว่าธีมหัวข้ออย่างไรนะคะยกตัวอย่างเช่นในส่วนของอป .1 น, นักเรียนก็จะมีธีมในส่วนของพลังงานลมนะคะคซึ่งเด็กๆ ก, ก็จะเรีย น, เ ร, ยนเรียนรู้แล้วก็บูรณาการความรู้ที่เกี่ยวกับพลังงาน สะอาดนะคะโดยเฉพาะพลังงานลมแล้วก็ปรับประยุกต์แนวคิดของพลังงานลมมาสู่การประดิษฐ์ในส่วนของที่เรียกว่าของเล่นที่เกิดจากพลังงานลมค่ะอืมนี่คือเป็นระดับชั้นปหนึ่งส่วนระดับชันอื่นก็จะมีหัวข้อไปเรื่อยๆใช่ค่ะก็จะมีหัวข้อซึ่งเป็นธีมของแต่ละระดับชั้นไปเรื่อยๆนะคะ ซึ่นักเรียนเนี่ยก็จะเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการในการที่จะแก้ปัญหานะคะแล้วก็นำเอาสิ่งแก้ปัญหาเนี่ยมาปรับประยุกใช้ในชีวิตปรชีวิตประจำวันของนักเรียนนะคะครับผมกระบวนการแบบนี้เราเห็นลูกศิษย์ของเราผมเชื่อว่าตั้งประมาณเกือบ6กจ็ดปีและกระบวนการเรียนการสอนแบบนี้ผลตอบรับหรือลูกศิษย์ของเราหรือพัฒนาการในแต่ละปีเป็นยังไงบ้างครับคุณครับ โรงเรียนของเรานะคะพัฒนารูปแบบปีนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนที่เราเน้นเป็นพิเศษนะคะโดยเราอได้มีการกําหนดดังๆที่เรียนไว้เบื้องต้นนะคะว่าปีนี้เนี่ยเราได้กําหนดเการเรียนการสอนให้ชัดเจนแล้วก็ใช้รูปแบบที่ชัดเจนในรูปแบบที่ชื่อว่า IDS Team Model นะคะเพิ่งปีนี้เป็นปีแรกนะคะที่เราได้ดําเนินการตามรูปแบบที่ได้กล่าวมาะคะ่ะ ครับผมถือว่ากระบวนการส่วนหนึ่งคือเป็นเน้นบูรณาการเป็นนักปฏิบัติการคิดวิเคราะห์แบบนี้แสดงว่าคุณพ่อคุณแม่ที่มองเห็นอนาคตหรือวัดแววของความสามารถของลูกบุตหลานของเราเนี่ยวิมีทิศทางในด้านนี้ก็สามารถที่จะมาฝึกฝนหรือมาเติมเต็มในเรื่องของการเรียนแบบนี้ได้ใช่ไหมคุณครูครับ ใช่ค่ะก็เด็กๆทุกคนนะคะพื้นฐานในส่วนของรูปแบบของเราก็คือเน้นในส่วนของบุรณาการศาสตร์ความรู้ในส่วนของ5ศาสตร์นะคะแล้วก็เรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัตินะคะเพื่อแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆนะคะภายใต้สิ่งที่เราให้อย่างจำกัดเด็กเนก็จะได้คิดค้นแล้วก็สืบค้นหาเพื่อต่อยอดในการสร้างอะไรสักสิ่งสักอย่างเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะครับผมสําหรับในช่วงนี้มีประกาศในการที่จะ ชอมาอเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนสาธิตนวัตรกรรมราชมงคล <ภา S 1> ยุบุรีไมหมครคุณครูครับค่ะตอนนี้ก็ขอเชิญชวนผู้ปกครองนะคะที่มีความสนใจในส่วนของการจัดการเรียนการสอนในลักษณะของโรงเรียนสาธิตนวัตรกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยียราชมงคล น, นะคะมาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว IDS นะคะก็ตอนนี้เราประกาศรับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะแล้วก็เราก็จะประกาศรับ ตอนนี้ยังยังยังรับอยู่นะคะคอ่า uh, ค่ะแล้วก็นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งค่ะครับผมก็สามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์ของทางโรงเรียนถูกต้องไหมครับค่ะใช่ค่ะครับผมรวมไปถึงทางเบอร์โทรศัพท์ติดต่อถ้าติดต่อสอบถามเพิ่มเติ ม, ตมพอจะมีเบอร์ติดต่อไหมครับคุณครับ ในส่วนของเบอร์เพิ่มเติมดูเว็บไซต์ดีไหมคะเว็บไซต์จะจะมีรายละเอียดด้วยนะคะมีเว็บไซต์จะมีรายละเอียดแล้วก็สามารถสอบถามผ่านแอดมินในเว็บไซต์ได้เลยค่ะอ๋อครับผมนี่ก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่เชิญชวนแล้วก็บอกว่าเป็นอีก ภาพลักษณ์หนึ่งของการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาในยุคนี้สมัยนี้และเป็นการตอบโจทย์ในเรื่องของการเป็นวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็วันนี้ขอบคุณคท่านผู้วิการโรงเรียนสาธิต น, นวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญ บ, บรรุรีดรรสรินทร์เจิมไทสงขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่คือเรื่องเราคุยกันในวันนี้ประเด็นจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีนั่นเองนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจที่อยากจะดูข้อมูลเพิ่มเติมหรือ หรืออยากจะสอบถามในรายละเอียดก็สามารถเข้าไปดูที่แฟนเพจเ a ซ e ุ o กนะครับโรงเรียนสาธิตนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะครับในช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะครับกับ RM u ์เอ็มพบกันใ ห, ใหม่ในโอนกาศหน้าวันนี้ผมปิยพงศ์ันในวายพร้อมทีมงานต้องบอกลาไปก่อนชุวยน้าติดตามรับฟังรายการจากราชมงคลธัญบุรสสีสวัสดีครับ